กรรมที่ทำให้เตี้ยถามกรรมอะไรที่ทำให้เกิดมาเป็นคนตัวเตี้ยครับตอบต้องจำแนก่อนครับว่าเตี้ยแบบไหนแล้วจึงระบุว่ากรรมอันเป็นต้นเขาคืออะไรหนึ่งเตี้ยแบบที่สมสัสดส่วนหรือออกไปในทางสันทัด คือดูโดยรวมแล้วไม่ใช่ตัวเล็กแต่ก็ไม่ใช่ตัวใหญ่ขนาดทำให้ใครเกรงใจจำแนกนิสัยใจคอในอดีตอันก่อให้เกิดกรรมต่างต่างคือทานมีความคิดสละออกพอประมาณไม่ได้มีใจใหญ่เป็นพิเศษในทางทานศีลไม่มีใจชอบข่มเหงรังแกใครแต่ก็ไม่ได้คิดปกป้องใครเป็นพิเศษเช่นกัน ทิฏฐิมานะไม่ได้กลางมากแต่ก็ไม่ได้อ่อนน้อมเป็นพิเศษแต่อย่างใดสองเตี้ยแบบที่ไม่สมสัสดส่วนดูแล้วรู้สึกว่าเตี้ยจริงๆเช่นหัวโตหลังยาวขาสั้นแต่ยังดูบึกบึนมีความน่าเกรงใจจำแนกนิสัยใจคอในอดีต อันก่อให้เกิดกรรมต่างๆคือทานมีใจใหญ่ในทางทานพอประมาณแต่อาจเสียในเรื่องศีลและทิฏฐิมานะหรือมีความเห็นแก่ตัวตรณนีทีเหนียวแต่อาจดีในเรื่องศีลและทิฏฐิมานะศีลมีความคิดเอาเข้าตัวปกป้องผู้อ่อนแอกว่าแต่อาจเสียในเรื่องทานและทิฏฐิมานะ หรือชอบข่มเหงรังแกคนเล่นเป็นของสนุกแต่อาจดีในเรื่องทานและทิฐิมานะทิฐิมานะอ่อนน้อมกับผู้ทรงคุณหรือผู้ที่เหนือกว่าแต่อาจกระด้างกระเดื่องกับคนระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าสเตี้ยรละบอบบาง ดูหน้ารังแกไม่เหมือนมีอำนาจทางกายที่จะปกป้องตนเองและคนรอบข้างจำแนมนิสัยใจคอในอดีตอันก่อให้เกิดกรรมต่างๆคือทานไม่มีใจคิดเผื่อแผ่ใครอยากเก็บไว้คนเดียวเอาตัวรอดคนเดียวศีลเห็นการกลุ่มเหงรังแกคนอ่อนแอเป็นของสนุกไม่คิดปกป้องหรือช่วยเหลือใคร เมื่อเห็นเขาตกอยู่ในอันตรายทิฏฐิมานะกลางได้เป็นกลางจิตใจแข็งกระด้างหาความอ่อนน้อมไม่ได้หรือจะพี่นอพี่เทาก็ตอบเมื่อเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือตนอาการงอให้เงินหรืออำนาจอันมิชอบก็จะมีส่วนปรุงแต่งให้ต้องเป็นคนต่ำต้อยหรือที่สังคมเห็นแล้วนึกดูถูกและมักด่าเข้าหูให้เจ็บใจเช่นเป็นไอกระจก ส่วนกรรมที่ทำให้สูงสง่าผึ่งผายดูมีอำนาจทางกายมากและอาจจะมีอิทธิพลบารมีโดยโรวมสูงก็คือเป็นผู้มีใจใหญ่ในการเจรจารักการให้ทานด้วยความคิดอนุเคราะห์ไม่ใช่ให้เพื่อเอาหน้าหรือเอาความนิยมจากสังคมนอกจากนั้นยังมีความคิดในเชิงปกป้องผู้อื่นอาจเอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงช่วย หรืออย่างน้อยก็ใช้สติปัญญาหาทางช่วยเหลือสุดความสามารถที่สำคัญกว่าอะไรคือเมื่อเป็นผู้มีจิตใจอ่อนน้อมโดยธรรมชาติไม่ดูถูกใครไม่กล่างใส่ใครไม่รีรอที่จะทำความเคารพนกไวยผู้มีพระคุณหรือผู้ทรงศีลสรุปคือถ้านิสัยโดยรวมทำให้จิตตั้งมั่นในเมตตา คิดปกป้องผู้อื่นกับทั้งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนชาติถัดมาจะมีร่างกายสูงสงา่าไม่อายใครถ้าขาดเมตตาคิดแต่จะเอาตัวรอดขี้เกียจลำบากช่วยใครกับทั้งมีความกลางชาติถัดมาจะตัวเตี้ยต่ำต้อยและมีอำนาจน้อยครับ